วิธีแต่งตั้งและกรรมวาจาแต่งตั้งภิกษุทั้งหลายสงพึงแต่งตั้งอย่างนี้คือเบื้องต้นพึงขอให้ทัพพะระมรรบรับครั้นแล้วภิกษุผู้ฉลาดสามารถพึงประกาศให้สงทราบว่า381สท่านผู้เจริญขอสงจงฟังข้าพระเจ้าถ้าสงพร้อมกันแล้วพึงแต่งตั้งท่านพระทัพพะระมรรบ ให้เป็นเสนาสนะปัญญาปะกะและพัตุเทสกะนี้เป็นบัญญัติท่านผู้เจริญขอสงจงฟังข้าพเจ้าสงแต่งตั้งพระทัพพระมรบุตรให้เป็นเสนาสนะปัญญาปะกะและพัตุเทศกะท่านรูปใดเห็นด้วยกับการแต่งตั้งพระทัพพระมรบุตรให้เป็นเสนาสนะปัญญาปะกะและพัตุเทสกะท่านรูปนั้นพึงนิ่ง ท่านรูปใดไม่เห็นด้วยท่านรูปนั้นพึงทักท้วงพระทัพพระมรบุตรทรงแต่งตั้งให้เป็นเสนาสนะปัญญาปากะและพัตตูเทสกะแล้วทรงเห็นด้วยเพราะฉะนั้นจึงนิ่งข้าพเจ้าขอถือความนิ่งนั้นเป็นมติอย่างนี้382ก็แลท่านพระทัพพระมรบุตรได้รับแต่งตั้งแล้วย่อมจัดแจงเสนาสนะสาหรับมูภิกษุผู้มีคุณสมบัติ เสมอก so ันรวมไว้ที oh. oh. hey. right. so, s <S ่เดียวกันดังนั้นคือจัดแจงเสนาสนะสำหรับภิกษุผู้ทรงพระสูตรรวมกันไว้แห่งหนึ่งด้วยประสงค์ว่าภิกษุเหล่านั้นจกซักซ้อมพระสูตรกันจัดแจงเสนาสนะสำหรับภิกษุผู้ทรงพระวินัยรวมกันไว้แห่งหนึ่งด้วยประสงค์ว่าภิกษุเหล่านั้นจกวินิจฉัยพระวินัยกันจัดแจงเสนาสนะสาหรับภิกษุผู้ทรงพระอภิธรรมรวมกันไว้แห่งหนึ่ง ด้วยประสงค์ว่าภิกษุเหล่านั้นจกสนทนาพระอภิธรรมกันจัดแจงเสนาสนะสําหรับภิกษุผู้ได้ฌานรวมกันไว้แห่งหนึ่งด้วยประสงค์ว่าภิกษุเหล่านั้นจะไม่รบกวนกันจัดแจงเสนาสนะสําหรับภิกษุผู้ชอบกล่าวติรฉานกถาผู้มากไปด้วยการบํารุงร่างกายรวมกันไว้แห่งหนึ่งด้วยประสงค์ว่าภิกษุเหล่านั้นจะอยู่ตามความพอใจท่านพระทัพผ้ามาลบุตรนั้นเข้าเตโชกสิน์ แล้วจัดแจงเสนาสนะด้วยแสงสว่างนั้นสำหรับภิกษุที่มาในเวลาค่าคืนภิกษุทั้งหลายจงใจมาในเวลาค่าคืนด้วยประสงค์ว่าพวกเราจะชมอิทธิปฏิหารของท่านพระทัพพระมรบุตรก็มีพวกเธอพากันเข้าไปหาท่านพระทัพพระมรบุตรกล่าวว่าท่านจงจัดแจงเสนาสนะให้พวกกระผมท่านพระทัพพระมรบุตรกล่าวว่า ท่านทั้งหลายต้องการพักที่ไหนเล่าข้าพเจ้าจะจัดแจงในที่ไหนภิกษุเหล่านั้นจงใจอ้างที่ไกล้ๆว่าท่านจงจัดแจงเสนาสนะให้พวกกระผมที่ภูเขาคิชกูดที่เหวสำหรับทิ้งโจรที่กาลสิกลาข้างภูเขาอีสิคิลิที่ท้ำสตะบันนคูหาข้างภูเขาเวพาระที่เงื้อมเขาส ป, ปะโซนธาทิกะใกล้สีตะวันที่ซอกเขาโคตมะกะ ที่ซอกเขาตินณทุกะที่ซอกเขาตะโปธกะที่ตะโปทารามที่ชีวกรรมพวันท่านจงจัดแจงเสนาสนะให้พวกกระผมที่มัทธคุตชิมาฤคธายวันท่านพระธัปพมลบุตรเข้าเตโชกสินใช้องค์คุลีสองแสงสว่างเดินนำหน้าภิกษุเหล่านั้นท่านเหล่านั้นเดินตามพระธัปพมลบุตรไปด้วยแสยงสว่างนั้น ท่านได้จัดแจงเสนาสนะสำหรับภิกษุเหล่านั้นชี้แจงว่านี่เตียงนี่ตังนี่ฟูกนี่หมอนนี่ที่ถ่ายอุจจาระนี่ที่ถ่ายปัสสาวะนี่น้ำฉันนี่น้ำใช้นี่เมเท้านี่ระเบียบกติกาสงควรเข้าเวลานี้ควรออกเวลานี้ครั้นจัดแจงเสร็จแล้วจึงกลับมาพระเวรุวันวิหารตามเดิมเรื่องพระธัพมะบุตรจบ